ฉาทั้งสามอย่างเป็นพื้นฐานใี้เกิดความฉลาดเกลงความว่าเธอเป็นคนฉลาดเพราะมีมีกรรมสิทธิ์เคารพในพระไตรสนาคมมีความกตัญญูรู้คนจิตใจก็เยือกเย็นสมาธิก็มีเมื่อสมาธิมีมีความฉลาดก็สงสัยอาการสงสัยนีเป็นความฉลาดแต่คนเราฟังก็ดี ดูก็ตามไม่สงสัยศึกษาวิชาใดก็ตามถ้ายังไม่สงสัยเวลานั้นยั ง, งโง่อยู่เพราะปัญญาไม่เกิดและสัญญาก็ยังไม่ดีสัญญาได้ความจำจำยังไม่ดีอารมณ์ไม่ละเอียดปัญญายังไม่เกิดแต่เกิดการสงสัยแสดงปัญญาเกิดเมื่อสงสัยแล้วต้องหาทางริเรอน่น หาเหตุหผลให้สิ้นสงสัยให้ได้บรรจุไหลเจ้เธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดรอบรู้อย่างนี้ต้องถือฉลาดเป็นพิเศษเพระาะทรงฌานปัญญาเกิดจากฌานสมาบัติเมื่อสงสัยก็ต้องดูดูให้แน่ว่าปัตุทั้งหลายเหล่านี้เครื่องมือทั้งหลายเรนนี้มันมีมาได้ยังไงเข้าไปตรวจดู เป็นสนัญลักษณ์ของเครื่องมอือมีการคาดแดงทุกชิ้นในแม้ไม่การคาดแดงทุกชิ้นก็ดูอาสารปรากฏมีในเครื่องมือทุกอย่างก็ใส่อารมใจเป็นทิพย์กิตก็บอกว่าอาสาไม่เขียนวันนี่ว่าสูงโตเขาคงไม่เขียนว่าเมดอินสูงโตเพราะทาในประเทศสูงโต เขาเขียนว่าตโศตูต่อมีสัญลักษณ์เป็นดาวดาวใหญ่หนึ่งดวงดาวเล็กๆกรอบประมาณสิบดวงเศษนับแล้วได้สิบห้าดวงดาวเล็กเดาวใหญ่หนึ่งดวงก็แสดงว่าประเทศนี้เป็นประเทศสาธารณรัฐหรือว่าเป็นโลกก็อยากจะวิสูทธ์ต่อไปว่าโสตโตนี่เป็นประเทศที่อยู่ในโลกแรงขัน เดีวในโลกไหนกันแน่ไปดูผ้าทุกชิ้นก็อาบน้ํายาหมดเครื่องมือทุกอย่างก็ตกอาบปัญยาเอาปัญำยาแล้วอาบแพรก็ไปสักเรียกว่าน้ํายาก็แล้วกันถ้าเป็นแรก็เรียกน้ํายาแรกเหนียวไฟจุดก็ใหม่ใหม่เราสีเผาก็ไม่ใหม่แล้วก็มีรอยเท้าของคนนล้วก็รอยก้อนผ่านยานผ่านนะ เดินตามไปดูในจดหนึ่งก็ปลายกลับ เ, เจอรถตีนขับหลายคันและมีเครื่องมือเจาะเครื่องมือขุดมากมายก็จินใช้กําลังใจที่เป็ทิพว่ารสูตูนี่อยู่ที่ไหนก็ซาดจะกําลังใจว่าสูตูอยู่คนละโลกถ้าจะผ่านจากโลกแรงขานต้องไปด้านทิศตะวันออกเหนือดาวกัลปพฤกที่ขึ้นในเวลาเช้ามืด จะมีดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งนั่นคือโลกโูตูได้โซตูนี่คนในสภาพแ ก, ร, แกพร่งคายแขกผอมเกง่งหน้าเขี่ยมท่าทางดุเป็นอัปตรภัเธอจะจำว่าอะไรโซตูต้องพบกันวันหนึ่งข้างหน้าต้องไปประเทศโซตูังได้เธอก็เดินต่อไป าจากนั้นอีกประมาณทักสามร้อยม่ไปด้วยความมหึทธิ์หน่ไป เ, ยไปเฉยๆไม่ต้องก้าวอลอยไปตัเดเกี่ยวก็ถึงต้องการอยากจะทราบว่าจุดที่ถูกขอาะที่ถูกเจาะเลือดขุดมีที่ไหนบ้างอาศัยกำลังจิตปันดาลูกหลานทั้งหลายไม่ต้องพิําราความเป็นทิศของจิตจะพาเป็นทีก็ไปหยดโจที่จุดจุดหนึ่ง มีสั ญ, ญลักษณ์เครื่องมือเหมือนกันมีโรงเต้นเหมือนกันทุกอย่างในสภาพแข็งแรงถูกเครื่องบดกระ ต, ตุต่างๆเครื่องมือมัดมาความหมายเหมือนกันแล้วก็มียานภาชะหมักหมักเหมือนกันมีรถตีนาขาบเหมือนกันแต่ว่าสั ญ, ญลักษณ์ของเครื่องมือที่นี่เป็นสีขาวหมด แล้วก็ในมีนอักษรเขียนจารึกต่อไป ท, ที่ที่เครื่องเหล็กว่าจามอนแต่ก็คิดว่าจามอนนี่อยู่ที่ไหนใช้กำลังใจในกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญความรู้สึกเพราะว่าจิตที่เป็นทิพย์เห็นทันทันทีว่าจามอนนี่อยู่ก็หน้าต่อไปนี้ลเป็นดาวดวงเล็กๆมองเห็นจกโลกมนุษย์เหนือจากโลกพระศพ นั่นคือเป็นจามอนคนเมืองจามอนเป็นคนอ่อนหวานเช่อซ้อยนุ่มนอนผิวขาวผิวนวนทั้งผู้หญิงและชายสวยหน้าตายินมแย้มจ่ใสน่ารักไม่เหมือนเจ้าโสตุเจ้าโสตุหน้าทางตาต า, ตาดูมากเกิดความว่าจามอนนี่เป็นประเทศที่มีความมั่งมยมองแล้วสดชื่นมากอยากจะไปจามอนแต่ว่ารอก่อน อย่าพ่งไปเธอตัดสินใจว่ายังไม่ควรไปดูโลกนี้ต่อไปถ้าใครคนต่อไปว่าเขาไปทําอะไรกันด้วยความว่ามีความรู้สึกในใจทันทีด้วใจเป็นทิพตาก็เป็นทิพใจมีความรู้สึกว่าเขาไปทาอาวุธและไปทำกําลังขับเคลื่อนนค้นยานพานะ อีกส่วนหนึ่งใช้ในด้านสันติใช้ในการรักษาคนรักษาเพื่อพันธัญอาหารเพื่อกอบอาหารใช้แรกประเภทนี้หมดแทนไฟฟ้าเขาไม่ต้องใช้แรงไฟฟ้าเลยแต่เราจะต้องทําแสงสว่างก็ทําได้เป็นแสงออกมาเป็นแสงสว่างได้แต่ก็ปลอดภัยราสีไม่ต้อันตราย ก็รู้สึกว่าชาวโลกสองโลกไม่มีความฉลาดมากมีความรู้ในพิทยาศาสตร์มากเธอมองดูร่องรอวที่กดปรากฏว่าสิ่งที่ตอนที่ถูกกดทั้งสองตอนนี้คล้ายเคงกันนำไปมากรู้สึกว่าถูกเลือกอย่างไหนที่มีเกรดอ่อนหน่อยเขาจะแอาไปให้เกรดก้อนใหญ่ใหญ่ถูกพิสูจน์ จมีเห็นแสงที่เรียกว่าก้อนมีมีเกรดมากอย่างสูสดถูกวิสุทธิ์เห็นเป็นใบกายคึกใสสะอาดแพรวคลาเป็นยักษไม่ใสอย่างเดียวมีใบกายขึ้นมาไม่เป็นชิ้นหนึ่งเล็กก็เล็ ก, ลกที่เขาเหลือไว้นิดเดียวกว็าารืความบรแรงประเภทนี้มีค่ามห า, าศาลยิ่งกว่าทองคำและยิ่งกว่าเพชร ทองคำเอามาแทนทนี่น้ำมันซื้อขายซึ่ ง, งกันแลกันประกอบอาชีพเพชรเอามาเป็นเครื่องวันดับซื้อขายได้ยาก แ, แแกแต่แร่ประเภทนี้มีเป็นประโยชน์าหาศาลมากใช้ได้ทุกอย่างตามต้องการเกี่กความวัดโลกและอังคารเป็นโลกที่มีคุณค่ามากแต่ว่าเป็นโลกที่มีความแข็งแกร่งแรงสีก็หนัก หนักกว่าโรคประจันมากอันตรายก็มีเยอะก็ยังไม่ทราบว่าฝรั่งมาได้หทีอยังยังไม่เห็นรอยเท้าฝรัง่งใช้กำลังใจที่เป็นทิศตรวจ ด, ดูว่าสภาพรอยรอยเท้าฝรั่งแล้วรอยมีไหมก็ไม่สราบชัดก็แสดงฝรัง่งอาจีะยังไม่ถึงหรือถ้าถึงก็จะถึงมุมอื่น ไม่เราทิ้งไว้ก่อนไม่เชยเรื่องที่ต้องมาคิดในเวลานี้ดูกันต่อไปเดินไปไม่ไกลนักเ <c oughs> จอสถานที่นั้น <c oughs> ก็ไปเจอแร่ประเภทหนึ่งดินในที่นี้รู้สึกว่าเหลืองผสมแดงมีแดงไม่น้อยแต่เนื้อไปสีเหลืองมาก จิต ใ, ใจก็บอกชัดว่าถ้ามีดินประเทนี้ที่ไหนที่นั่นมีทองค <c oughs> ําไม้เลื่อใจเป็นทิพย์สักอย่างก็ไม่ต้องขุดไม่ต้องคนใช้ใจเป็นเครื่องขุดใช้ใจเป็นเครื่องค้นในการขุดการค้ น, คนโดยใจของตนเองอาจจะเป็นอุปาทา น, นมีขอบารมีเขาอ ง, อ ง, องเาําเดชเขาจิตจำาน ว่าจิ่งใดที่มีอยู่คอยรู้ตามความเป็นจริงเห็นชัดเห็นแจ่มเห็นชัดเห็นแจ่มแจ่มใสเพียงตอนานี้เราทราบได้ทันทีว่าสถานที่นี้มีที่ยืนอยู่นี่มีแรกอย่างเนี่ยมองเลยผิว้งไปแร่ประเภทนี้มีสีบอกไม่ถูกแค่ดำมันก็ไม่ดำแค่แดงก็ไม่แดง มันดำมากดำก็ดำเลยน้อยแดงก็แดงเน้อ ย, อยบอกสีไม่ชัดไม่ถูกแต่แร่ประเภทนี้ไม่ใช่ทองคำมองดูแล้วไม่ใช่ทองคำมองไปมองมารู้สึกว่ตอนปลายกลุ่มของแร่ที่ถูกกัดแหว่งลงไปแร่มี่เริ่มสีหลัยตัวจากความไป็นแร่มันคือกลายเป็นทองคำ แล้วก็นึกในใจขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยบริสัตธ์ดาเพาื่อทราบว่าแร่ประเภทนี้ในเมืองมนุษย์ในโลกชมพูที่อยู่มีหรือไม่มีก็เสียงตอบว่าชุไลไรโรครัฐมีอยู่แต่ว่ามีปริมาณน้อยกว่าโลกเครงคันเพราะแร่ประเภทนี้มีดินในโลกอนุษย์แล้วก็ที่เราเรีย ก, กว่าทองคํา มันสร้างทองคำไมาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล่ประเพื่อนี้มเมื่อยุนานๆเกลเสัมผัดกับดินงเอาสายัยรางสีที่มีอยู่ความร้อนเกิดขึ้นเพือให้ ส, สร้างความร้อนและความอบ อ, อุ่นนี้เกิดขึ้นแล่เครืกองกายตัวที่น้อยๆกลายปเป็นทองคาเป็นทองคาที่ธรรมชาติที่แลกก็เป็นก้อนลเล็กดเป็นสายก่อน ตอมามาทับผมก็มากมากมีความหนักก็แล้วก็กลายเป็นแท่งแต่ด้านบนที่เกิดใหม่จะเป่ยนเปนเม็ดสาย็นม่ดายทองคำเมื่อมองดูในที่มีของอยู่ไรก็ทราบว่าเคยไปเห็นที่ประเทศนิวซีแลนด์เห็นทองคำงานอเมริกาเป็นเม็ดเล็กๆดบบนี้ เมื่อมองไปทีอยากจะรู้ความจริงว่าทองคําที่สําเร็จรูปแล้วจะเป็นทองคําล้วนๆไม่มีขี้มีที่ไหนก็เพียงมองไปก็ช่วงติดต่อแต่แรกแบบ น, นี้เป็นทองคําเป็นสายต่อไปเดินไปไกลก็รู้สึกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นกองถนัดมีเฉพาะแรกทองคําด้านหน้าจริงๆ <c oughs> เพียงแค่ใช้ทั่วตัก ก็ตักได้แบบส บ, สบายๆตักไม่ต้องใช้แรงมากใช้ช้อนจะมาได้สบา ย, บายถ้าปาดหน้าดิีลงไปเล็กน้อยคือสิ่งที่ปิดบังหน้าไม่ลึกส่วนที่ลึกมากจริงๆไม่เกินหนึ่งพุทธนอกจากเป็นผิวเป็นแค่มือปาดๆก็เจอกับคำลวนแล้วจะรู้สึกด้วยสิ่ดีใจว่าเจอของจริงกเกรู้สึกว่าถ้าโลกนี้ มีมนุษยม์มนุษย์จะต้องมีความร่ำเลยมาก <c oughs> แต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้เหมือนกัน <c oughs> โลกนี้มีมนุษย์แลือไม่มีเพราไม่สนใจได้คิดในใจว่าเดินมาไกลแสนไกลแล้วไม่เจอร่องรอยของมนุษย์หรือว่าเราอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ก็ไม่ทราบใช้กําลังของความตาเป็นทิพย์ก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีชีวิต เ <c oughs> อินกว่ามนโลกนี้หาสิ่งที่มีชีวิตได้ยากเดาๆาเอาแต่ว่าภหลังเขาอาจจะรู้ได้บาว่ามีสิ่งมีชีวิตมีหรือไม่เมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เดินไปเดินไปก็อยากจะรู้นอกจากสิ่งที่มีค่าทาั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> มีอะไรอีกไหม เดินไปบนผิวโลกก็พบแต่ทองคำบ้างแหลที่ไหนจะมีทองคำก็มีดินสีนั้กล่าแล้วที่ไหนจะมีแร่ประเภทยูเรเนียมก็จริงไม่ใช่ยูเรเนียมแ้วก็จต้องมีตะกั่วคือแร่ประเภทนี้ตายแล้วกลายเป็นตะกั่วแล้วก็มีแร่กประเภทหนึ่งที่มีกำลังสีใสเหมือนกัน แร่ประเภทนี้ก็มีความมีประโยชน์ใช้ใคล้ายๆกันแต่มีกําลังอ่อนกว่าแร่ประเภทนี้เมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นแร่ประเภทหนึ่งผิวมีสีดําๆคล้ายๆของเก่าๆเล็กๆไม่โตนักที่มันตายมาก็จะไหลายตัวเกาะกันแต่ใครเขานํำมาไปสกัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏว่าเป็นของที่มีความแข็งแกร่งมาก <c oughs> แต่ไม่จะทาการเฉดสีไดอากาศอวกาศได้ดี <c oughs> สู้ความร้อนได้ดีเกิด น, นึกในใจว่าเศษของแรกต้องสอนราการนี้คือแรกประเภทแรกกับแรกประเภทหลังเแ่นไพ่จะนำเป็นวัตถุเจริญ <c oughs> จะผ่านดวงอาทิตย์จะไปได้หรือไม่ได้ <c oughs> แปดดวงอาทิตย์จะสามารถะรละลายแร่ประเภทนี้ให้เป็จรนไปได้ไม่เป็น ก็ทราบจาแกระแสจิตที่เป็นทิพย์แม้เปล่าตามสภาพธรรมดาทนแสงอาทิตย์ไม่ไหว <c oughs> แต่ถ้าแราประเภทนี้ไปหลอมทำกรรมวิธีอย่างวิทยาศาสต ร, ร์เชื่อพูดไปถูกเหมือนกันเกิอะไรที่กนลึกว่ามันจะมีแร่ประเภทหนึ่งมีสารสามประเภทหนึ่งเข้ามาผสมอาจจะเป็นหลายอย่างจะสร้างความแข็งแกร่งมาก จะทําดยชนสูงตางทานสูงมากแล้วก็ภายในที่ได้เคลือดอีกได้แร่ประเภทหนึ่งก็เขาบอกลักษณะเหมือนกันแร่ประเภทนี้จ <C oughs> ะ, ะ, ะ เ, เคลือบภายในความร้อนที่ผ่นเข้านอกจะไม่เข้าถึงในภายายในห้องจะทำให้เจอแร่ประเภทนั้นแ ล, ล้วจะฟวามร้นจะสะท้านออก ถ้าอย่างนี้ก็สามารถจะทำญาณภาณะไปโลกราธิบได้ผ่านกองไฟดวงใหญ่เข้าไปได้อันนี้บรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักเรา่อมว่าที่คุยกันนี่เป็นนิทานมันจะตรงกับความจริงนั้นไม่ตร ง, ตงกัาไม้สำคัญนิทานอะไรก็ได้ <c oughs> แต่กาสิง่งที่ไม่แน่นอนเห้วกันนิทานบางครั้งก็นำของจริงมาเล่าสู่กันฟัง แต่เราไม่ม ห, าหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องไปนิธิแล้วเราต้องบอกว่าเป็นนิทานนิทานนี่ถ้าจะเทียบกับศัพท์ภาษบาลีว่านิทุเรย์นิทุเ ร, รย์แปลวมาจากที่ไกลและนี่คอแห้งมากหมายความว่นนาไกลจะหาต้นสายปลาเหตุไม่ได้ก็ต้องเปน็นนิทานไปกกเกีความได้สิ่งที่เราต้องการจะผ่านเข้าไปหาดวงอาทิตย์ มีพร้อมสัตว์ในโลกสร้างขันนี่ก็ย้ยกับวีทีหนึ่งคำวมาโลกพระอาทิตย์พระจันทร์สร้างขันเปตรงกับชื่อดาวเคราะห์ในดาวเคราะห์อกมหาศาสตร์เคยอ่านายุไลเคยอ่านและเคยแม่แม่เคยบอกว่าถ้าพระอาทิตย์เสวยอยุข่คนนั้นจะมีความร้ารรนหาความสุขไม่ได้ ถ้าพระจันสมัยยุคใคจะมีความนิ่มนนทมีความสุขมีเสน่ห์ถ้าพาระองคารสมัยพระยุไขคจะมีความแกข่ใกงใครไม่เครงโดดดันหัวดื้อแม่เคยเล่าให้จุไลยฟังจุเลจําได้จุเลยก็มันนึกว่าโหราศาสตร์ก็ดีดาราศาสตร์ก็ดีเขาพูดเดียวกันเปล่าคือดาราศาสตร์เรื่องของดาว สามารถจะรู้ดวงดาวต่างๆได้ถูกต้องอย่างดาวดาวพระเคราะห์ทั้งหมดเข้ามาเรียงกัน <c oughs> เหมือนในปีพศ2529หรือ30จะไม่ลาแม่แน่นอนไมได้เพราะดาวพระเคราะห์เข้ามาเรียงหน้ากันหมดนี่ดาวดาสไซด์เขาบอกโหดาวไซด์ก็ยืนยันว่าดาวพระเคราะห์ทั้งหมดมาเรียงขนาดกันเหมือนกัน ขณะที่เขาเล่าเรื่องหมอหองก็ดูกันอย่างนั้นว่าดาววเรียงตัวกันรวมกันแม้ว่าเรียงแถวเธอก็ได้ดูตามเสียงนั้นใช้จิตเป็นทิพย์ก็ทราบว่า ด, ดาวดวอื่นๆก็ไม่ใหญ่ไม่โตจากโลกมนุษย์ที่เราใช้อยู่เท่าไรนะักบางดวงก็เท่ากันบางดวงก็โตกระมิบไปบางดวงก็เล็กอย่างนี้เป็นต้นแต่ดาวที่แปลกที่สุดคือดาวพรหัส ใหญ่เหมือนช้างในฝงบัวดาวต่างๆคข้ายัวแต่ดาวหลับใหญ่คล้ายๆช้างในฝงบัวเด่นมากเองความว่าดาราายก็ดีโฮราใยก็ดีพุทธายก็ดีสต่อะไรัยอเนี่